วันนี้ก็มีญาติโยมหลายคนมาทิวั์ป่าสุกโตนะเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมหลายคนก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะก็ถือโอกาสต้อนรับนะทั้งท่านที่เพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ที่มา หลายครั้งแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเสมือนบ้านของพวกเราที่หน้าสาราหน้าเนี่ยสาราใหญ่ที่เราผ่านมาเคยมีหินแผ่นหนึ่งเขียนข้อความว่ า, าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้านะ มีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักหินแผ่นนั้นก็สูญหายไปแล้วนะแต่ว่าข้อความนั้นนะก็ยังอยู่นะมันอยู่ในทุกมุมของสุกโตก็ให้เราถือว่าเมื่อเรามาที่นี่ แม้จะมีหลายคนที่เราเพิ่งพบเห็นแต่ก็อย่าถือว่าเป็นคนแปลกหน้าให้ถือว่าเป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักแล้วก็ขอให้ความเป็นมิตรนี้ได้ครอบคลุมไปถึงสภาพแวด ล, ล้อม <c oughs> เช่นธรรมชาติด้วยธรรมชาติที่นี่ต้นไม้สิงสารสัตว์ ก็ยังได้ถือว่าเป็นสิ่งแปลกหน้าสาหรับพวกเราคอยถือว่าเป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักอันนี้รวมถึงตุ๊กแกด้วยนะตุ๊กแกที่อยู่ตามห้องน้ำเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่กล้ามาสุโกโตนะเพราะกลัวตุ๊กแกนะตุ๊กแกนี่ก็เป็นมิตรเป็นมิตรที่เราควรจะรู้จักนะแล้ อ, อยู่ที่นี่ ก็จะมีแต่ความปลอดภัยนะก็เลยอย่าไปกลัวสิ่งอื่นๆที่เรามองเห็นไม่ได้ด้วยตาถ้าหากมีก็เป็นเป็นมิตรของเราที่เราควรจะทำความรู้จักนะหรือว่าถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรอยากให้เราได้มารู้จัก นะกับมิตรเหล่านี้นะซึ่งเราจะไม่เคยพบบางคนก็ไม่คุ้นเคยกับธรรมชาติไม่เคยคุ้นเคยกับความเป็นวัดวาอารามก็อยากให้ทำใจเนี่ยนะคุ้นเคยซึ่งจะช่วยทำให้เราจะให้การมาของเราเนี่ยมันมีประโยชน์คุ้มค่าจะต้อมาคิดว่ามิตรที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะรู้จัก และส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะอันนี้สำคัญมากเลยนะทั้นที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะก็คือใจของเรามาที่นี่เนี่ยนะถ้าหาว่าเราได้มาค้นพบว่าใจเนี่ยนะเป็นมิตรของเราเราจะได้มิตรที่ประเสริฐที่สุดเลยนะมาหามิตรอย่างนี้ให้พบให้ได้นะ ถ้ายังไม่พบที่บ้านยังไม่พบที่ไหนก็ขอให้มาพบที่นี่นะใจที่เป็นมิตรกับเรานะหรือว่ามาเป็นมิตรกับใจนะของตัวเองให้ไดนะ้คนทุกวันนี้เนี่ยไม่สามารถจะค้นพบมิตรที่อยู่ภายใน มิตรเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วในใจเราแต่ว่าเราก็ปล่อยปะละเลยกลายเป็นว่าใจเนี่ยกลายเป็นศัตรูของเราเดีย๋ยวนี้เนี่ยใจเนี่ยมันกลายเป็นศัตรูนะที่สร้างความทุกขนะ์ให้กับผู้คนจำนวนมากไม่ใช่ใจใครที่ไหนนะใจของตัวเองนั่นแหละ ใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธนะเกลียดกลัวเศร้ารวมถึงความเครียดนะความวิตกกังวลหลายคนทุกข์เพราะใจของตัวเองนะทั้งๆที่ชีวิตความเป็นอยู่ก็สะดวกสบายคน พวกเราทุกวันนี้เนี่ยมีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งกว่าพ ร, ราชาเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วสิถ้าแค่บ้านเราเนี่ยมีห้องน้ำนะที่มีสุขอนามัยนีย่ก็ถือว่าเราสบายแล้วเมื่อรักสามสี่ร้อยปีก่อนเนี่ยพระราชวังแวร์ซายเนี่ยซึ่งใครใคร ก็ชื่นชมว่าสวยงามอลังกาเนี่ยบอกว่าคนที่เดินผ่านเนี่ยนะในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกมันเหม็นมากเลยมันเหม็นฉี่มันเหม็นขี้นะไม่ใช่ในสวนนะในระเบียงเลยบนระเบียงเพราะว่าไม่มีห้องน้ำไม่รู้จักชักโรครกนอันนี้มันเป็นบันทึกของคนร่วมสมัยนะ บอกว่าเหม็นมากแต่เขาล่อมันเป็นธรรมดานะเพราะว่ามันก็เหม็นทุกที่อ่ะเพราะเขาไม่รู้จักชักโรครกนะเขาไม่รู้จักห้องน้ําที่มันสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงน้ําประปาไม่ต้องพูดถึงอาหารการกินที่เรียกว่าหลากหลายสะดวกสบายอ่าทุกวันนี้เราสะดวกสบายกว่าคน ที่เกิดก่อนเราแต่ว่าผู้คนจำนวนมากกลับทุกข์นะอาจจะทุกขกว่าคนที่เกิดก่อนเราด้วยซ้ํเพราะอะไรเพาใจนี่นะใจที่มันฟุ้งซ่านใจที่มันเต็มไปได้วยความวิตกกังวลนะใจที่คอยพยศสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตของเราพาเราไปสบตกไปสู่ความย่าแยนะ่บางทีเพราะ พอโกรธขึ้นมามันก็สั่งให้เราด่านะพอวิตกกังวลขึ้นมามันก็ทาให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยากกับชีวิตพอมันเศร้าขึ้นมามันก็ทำให้เรานะอยู่อย่างไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็พลอยทำให้เจ็บป่วยความดันขึ้นเป็นโรคโน้นโรคนี้ เดี๋ยวนี้เนี่ยความเจ็บป่วยของผู้คนเนี่ยนะผู้รู้ที่ศึกษาเรื่องความเครียดความวิตกกังวลเขาบอกว่าเนี่ยประมาณ 60-90% ของความเจ็บป่วยที่พาให้คนไปโรงพยาบาลเนี่ยโดยและเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลความเครียดนยในประเทศอังกฤษนะ มีคนป่วยประมาณ1ใน3หรือเพื่อให้ถูกต้องอว่าความเจ็บป่วยที่พาให้คนไปหาหมอเนี่ยหใน3เนี่ยฉนั้นที่มีอาการทางกายแต่สาเหตุหาสาเหตุทางกายไม่พบอาการทางกายก็ไม่ใช่แค่ความดันขึ้นนะแต่ว่าถึงขั้นตาบอดลมชักหรือปวดเรื้อรังแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบ แต่พอใส่เหตุที่แท้จริงมันเกิดจากเรื่องของใจนะทำให้ปวดเรื้อรังทํำให้ตาบอดทําให้ชักหรือทําให้พิการได้ซ้ําไม่น่าเชื่อนะไอความพิการเนี่ยหาสาเหตุทางกายไม่พบแต่ว่ามันมาเกิดจากใจใจที่มันมันแหวงกลับมาทําร้ายตัวเราใจที่ไม่ยอมอยู่ในโอวาทของเราไม่ต้องอื่นไกลนะ แค่จะนอนให้หลับเนี่ยมันก็ไม่ยอมหลับแล้วเพราะาใจมันเอาคิดคิดคิดคิดไปถึงเรื่องงานคิดไปถึงคนที่ทำให้เราโกรธแค้นยิ่ตกกังวลอันนี้คือปัญหาของคนจำนวนมากนะที่ว่าไม่สามารถจะทำให้ใจนี่กลับมาเป็นมิตรกับเราได้ แต่ใจเราเนี่ยนะมันถ้าเราสามารถทำให้เป็นมิตรได้เนี่ย ม, มันจะเป็นมิตที่ประเสริฐมากเลยผู้เจ้าตรัสว่า เราปฏิบัติปฏิบัติไปก็แล้วกันนะ ยุติเพียวเท่านี้เตรียมตัวกับพัก